วันนี้เดินจงกลมหนึ่งชั่วโมงนะใครรู้สึกว่านานไหมฮะจริงไงเนี่ยเดี๋ยวเจอกันเดือนหน้าเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราไปบ้านน่ะเราอย่าทิ้งให้มีจังหวะแต่เราจะเริไปบ้านระยะมันจะยาวให้ระยะมันยาวหน่อยแล้วก็เดินแบบสบายๆภาษาสมัยใหม่อก็่าเดินรีเล็ก แต่เราเอาสติเจริญสติเดินไปสบายๆชมต้นไม้ชมกำแพงบ้านเดินรอบบ้านเราถ้ามีร้านให้เดินอ่ะค่อยๆเดินเดินไปยังไงเดินเดินเดินเดินเดินอย่างงี้างมาเช้าเก๊ก็ไปสวนลุมเราก็พอดีเลยสวนลุมการออกกำลังกายที่สวนลุมนี่เอื้อมากกับการเจริญสติ เป็นวิธีการธรรมชาติไม่ว่าเป็นไทยเก๊กไม่ว่าเป็นอะไรมีกี่วิชามะ ก, ก็สอนกี่วิชาที่ส่วนลุมอะเขามีหลายมาก เ, เ, เลยนเนี่นเ ย, เ, ยเออเออมาถ้ามาไปเดิอนอย่างเดียวก็ต่อไปกัะมากก็จะเดินสติเชลเลยอืใช้จิตรู้การเคลื่อนไหวของเท้าเป็นหลักสบาย แล้วถ้าใครจะเกิดการพักผ่อนพาครอบครัวไปพักผ่อนเนี่ยหารีสอร์ทสบายๆธรรมชาติธรรมชาติหลังจากทานข้าวเสร็จก็แบ่งกันไปเดินจงกรมและกลับมานั่งคุยกันเรื่องสภาวะนะโตะกลม <c oughs> <c oughs> <c oughs> เข้าท่าไหมเข่าทาเอาพร้อมยังพร้อมเลยนะท่านสังเกตไหมว่าการนั่ง รู้ลมหายใจกับการเดินจงกลมมีอะไรที่เหมือนกันไหมอืมอืมปัจจุบันที่เหมือนกันถ้าเราเอาไม้สองอันมาถูกันมันจะเกิดอะไรฮะ<ม>เกิดความร้อนแล้วก็เกิดเปลวไฟ พระพเจ้าเปรียบอย่างนี้ดีกว่าพระพเจ้าดีกว่าพระเจ้าเปรียบเหมือนแม่ไก่ที่ตกไขมาแปดฟองสิบฟองสิบสองฟองก็แล้วแต่แม่ไก่ก็ทำการฟักไข่นั้นอย่างต่อเนื่องอกฟักไข่อย่างต่อเนื่องเนี่ยมันทำให้เกิดความอุ่นขึ้นภายในไข่ ความอุ่นที่เกิดขึ้นภายในไข่มันทำให้ไข่ไม่เน่าและทำให้ยางของไข่ที่อยู่ที่เปลือกไข่ข้างในแห้งในขณะเดียวกันถ้าแม่ไก่ฟักต่อไอ้ยางไข่ที่อยู่ที่เปลือกไข่แห้งนันแล้วเนี่ยตัวไข่เองไอ้ตัวไก่เองตัวไก่ที่อยู่ในไข่ก็จะค่อยๆแข็งแรงขึ้นเติบโตขึ้นความอุ่น ที่อยู่ภายในทาให้จะาหอยปากและกรงเล็บของไก่แข็งแรงขึ้นแข็งขึ้นเมื่อแม่ไก่ฟักไปอย่างต่อเนื่องตัวไก่ที่อยู่ลูกไก่ที่อยู่ข้างในคลองไข่จะโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้ น, นในที่สุดมันก็ใช้ปากและเล็บจิกเปลือกไข่ออกมาอย่างให้ได้เพราะ เปลือกไข่ที่ความอุ่นของแม่ไก่ที่เขาฟักอยู่เนี่ยมันทําให้ยางที่อยู่ที่เปลือกไข่แห้งและก็ทําให้เปลือกบางตัวไก่ลูกไก่ลูกเยบอะ่ะก็จะออกมาจากฟองไข่ง่ายแม่ไก่ที่ฟักอาการที่แม่ไก่ฟักอย่างต่อเนื่องเนี่ยนี่คือการฝึกอย่างถูกวิธี ความอุ่นของความอุ่นที่เกิดขึ้นในในไข่คืออะไรความอุ่นที่เกิดขึ้นในไข่คืออะไรว่เก่งนะเนี่ยคือไม่รไม่ไม่รีบบอกว่าแกเก่งก่อน คือวิริยะทูลแล้วายางเหนียวที่ติดอยู่ที่เปลือกไข่ด้านในคืออะไรแต่ยางเหนียวนั้นอยู่เปลือกไข่ไม่สามารถที่จะฟักออกมาได้ยางเหนียวคืออะไรคือตันหาเปลือกไข่คืออะไรอวิชชา แล้วปากกับเล็บไก่เนะี่ยคืออะไรปัญญาใช่ไก่คือใครฮะไก่คือใครลูกไก่อะ่ะลูกไก่คือใครคือพ ว, พวกเราเนี่ยอืมพวกเราเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เรา รู้ลมหายใจรู้ลมหายใจเรียกว่าอยู่กับคัตาสติเนี่ยก็ให้เกิดต่อเนื่องขึ้นไปก็จะเกิดเป็นสมาธิไม้สองอันที่สีกันไม้สองอันที่เกิดการสีกันอย่างถูกต้องคือความเพียรใช่เกิดเป็นความ ร้อนความร้อนนั่นคืออะไรความร้อนคือสมาธิเปลวไฟคือปัญญาแค่เรารู้เราหายใจนะยจดดูเนี่ยเรารู้เราหายใจที่ไหลออกจบ จิตที่รู้ลมหายใจตั้งแต่ต้นจนสุดลมหายใจที่ไหลออกนั้นเรามีสติหนึ่งครั้งของการหายใจออกในขณะที่เรามีสติหนึ่งครั้งของการหายใจออกนั้นมันมีอะไรอยู่ด้วยเพราะจิตไม่ได้ไปซ่องเสพอารมณ์อันอื่นได้เลยมีสมาธิเกิดขึ้นด้วยพอรู้ลมหายใจเข้าก็มีทั้งสติและสมาธิเกิดขึ้นด้วย หายใจออกหายใจเข้าต่อเนื่องไปเรื่อยๆสติและสมาธิก็จ ะ, จะเจริญขึ้นพอสติและสมาธิจเจริญขึ้นจิตอยู่กับความเป็นกลางตั้งมั่นเห็นความสภาวะอันที่เกิดสภาวะอันใดเกิดปั๊บมันก็จะเห็นว่ามันเกิดพออะไรดับมันก็จะเห็นว่ามันดับอะไรเกิดก็เห็นว่าเกิดอะไรดับก็เห็นว่าดับแล้วก็อยู่กับลมหายใจต่อไปเรียกว่า รู้ลมหายใจเพื่อตามดูความไม่เที่ยงดังนั้นในในอนาปรนารติที่พระพุทธเจ้าสอนจะจัดเป็นลําดับเป็นชั้นชั้นชั้นชันชั้น้นชเราก็จะเห็นความไม่เที่ยงเห็นการเกิดและการดับเนี่ยมันเห็นความไม่เที่ยงมันไม่ได้ไปปรุงแตง่งเช่นว่าเพราะว่าความคิดถึงเรื่องความคิดเกิดขึ้นเรื่องบ้านพอบ้านก็นึกไปถึงบ้านอยู่ที่ไหนใครเป็นเจ้าของตอนนี้ใครอยู่อันี้ยไม่ต้อง มันไม่ไปอย่างนั้นถ้าไปอย่างนั้นมันไม่เป็นสติแค่รู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นแล้วความคิดนั้นก็ถูกรู้ว่ามันเกิดขึ้นเท่านั้นเองไอ้นั่นแหละเป็นสติเป็นสติปัฏฐานแล้วมันเห็นแล้วเห็นตามความเป็นจริงแล้วแล้วมันหายไปก็รู้ว่ามันดับไปการเห็นสภาวะเกิดขึ้นและดับไปจิตก็มาอยู่กับลมหายใจอย่างเดิม ไอเห็นมันเกิดด so so ับตามความเป็นจริงนั้นจะสะสมเป็นปัญญาให้กับจิตเห็นไหมเราก็จะได้สติสมาธิและปัญญาปัญญาตัวที่เห็นการเกิดดับมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นประกอบกับสติที่แข็งแรงขึ้นความเพียรที่ต่อเนื่องขึ้นทําให้สมาธิที่แข็งแรงขึ้นจิตก็จะเห็นอะไรจากที่มันเห็นเกิดและดับเกิดและดับเกิดและดับต่อไปจิตจะเห็นอะไรมันไม่มีความสงสัยในการเกิดแล้ว จิตจะมองเห็นดับอย่างเดียวดับเห็นดับอย่างเดียวเลยเห็นอะไรผ่านมาก็ดับดับดับดับดับดับดับดับดับไม่ปรุงไม่แต่งไม่อะไรเนี่ยภาษาปฏิบัติเขาเรียกพังคานุปัสนาคือมันจะตามเห็นการดับอะไรที่เราเห็นการเกิดแล้วก็ดับอ๋อมันก็เกิดดับอ๋อมันก็เกิดดับพอมันเห็นอย่างนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าความรู้ที่เกิดในขณะที่มันเห็นอย่างเนี้ย ต่อไปมันไม่สนเรื่องการเกิดแล้วอะไรโผล่ขึ้นมามันก็เห็นดับอะไรโผล่ขึ้นมามันก็เห็นดับอะไรโผล่ขึ้นมามันก็เห็นดับจนในที่สุดแม้แต่ขันห้าของเรารูปและนามนี้หรือแม้แต่ลมหายใจที่เรากำลังอยู่เราก็เห็นมันดับดับดับไม่มีอะไรเลยเห็นแต่ดับอย่างเดียวดับหมดดับทุกอย่างเลยมันจึงเกิดพยตูปฐานเรียวกว่าเกิดความหวาดระแวง เกิดความหวาดระแวงหวาดกลัวแล้วเพราะทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งนอกทั้งในไม่มีอะไรแล้วเห็นจะดับดับๆๆ บ, บ, บมันก็หวาดระแวงพอหวาดระแวงเสร็จแล้วมันก็เห็นเป็นทุกข์ใช่ไหมเป็นทุกข์เห็นบ่อยบ่อยบ่อยบ อ, ยบ อ, ยบอย э ีกมันก็เกิดเห็นเป็นโทษแล้วเมื่อใดที่ที่เห็นว่าขันห้านี้เป็นโทษเมื่อนั้นน่ะมันจะเกิดความเบื่อหน่ายกับการมีขันห้าแล้วมันจะอุดอัดกับการมีขันห่านี่ และมันมีความตั้งใจที่จะวิ่งไปให้พ้นจากขันห้านี้แหละความตั้งใจวิ่งจะไปให้พ้นนี่แหละมันจึงต้องหาทางไอจิตที่วิ่งไปให้หาทางเพื่อที่จะให้พ้นไปจากการเบื่อนนายของขันห้านี่ยมันก็จะวางขันห้าลงทีนี้มันก็จะ เรียกว่าภาษาเขาเรียกสังขารุปเปขายานมันจะเกิดความเป็นกลางขึ้นอย่างแท้จริงของจิตโดยที่ไม่ไม่ต้องไปมีอะไรเป็นอารมณ์แล้วมันถอยมาหมดทุกอย่างแล้วนิ่งเฉย อ, อยู่กับความเป็นกลางเพราะไปเห็นเพียงแค่ว่านามรูปนี่มีแค่การกิะหดดับเปลี่ยนแปลงแปรปรวนเป็เปนอนิจจังทุกขังอน้าตามีโทษน่ากลัวมีโทษแล้วก็น่าเบื่อหน่ายอุดอาด วิ่งผ่านพ้นมาหมดทุกทิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยมันไม่มีเหลือไม่แต่นิดเดียวแล้วสำหรับที่จะให้ไปยึดตรงนั้นเรียกว่าความเป็นกลางที่ชื่ออุเบขาอย่างแท้จริงทีนี้มันก็จะเป็นขณะที่จะก้าไปสู่อริยสัจภาษาปริยัตเขาเรียกสั จ, จานุโลมิกญาณเคยได้ยินไหมไม่เคยเออ น, นะแต่ไม่ต้องไปสนใจเรื่องนี้หรอกเนาะนี่มันเป็นผลที่เป็นเหตุปัจจัยต่อเนื่องกันไปเราแค่รู้ลมหายใจเท่านั้นน่ะรู้ลมหายใจให้จิตเกิดความเป็นกลางขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยรืแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็จะเกิดมาแต่เราต้องไม่ละเลยเรื่องปัญญาปัญญานี่เราจะต้องละเลยไม่ได้หมายความว่าเมื่อมีสภ า, าวาอะอันใดเกิดขึ้นให้เห็นตามความเป็นจริงมันเกิดก็รู้ว่ามันเกิด พอมันดับก็รู้ว่ามันดับแล้วก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจพอเห็นมันเกิดแล้วมันดับแล้วก็กลับมาอยู่ที่กลับมาอยู่ที่ลมหายใจนี่เวลาเราฝึกการปฏิบัติอย่างนี้แต่ถ้าเรากลับไปอยู่ที่บ้านเราต้องไปคล้องแวะกับลูกกับหลานกับครอบครัวกับเพื่อนกับฝูงต้องมีงานภาคสังคมเยอะแยะมากมายที่ต้องรับผิดชอบใช่ไหมเราก็ให้ลมหายใจเป็นเครื่องพักให้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ ถูบ้านก็ถูไปถูไปถูไปรู้ตัวไปมั่งไม่รู้ตัวมั่งก็ถูกไปจนงานเสร็จเรียบร้อยเสร็จเหนื่อยไม่ต้องไม่รู้เพราะมันจิตจะหลุดออกไปจากเรื่องที่ตัวเองทําวิ่งกลับมาที่ลมหายใจให้เขากลับมาที่ลมหายใจของตัวเองบ่อยๆบ่อยๆและลมหายใจของเราก็จะเป็นเครื่องอยู่ของจิตนขณะ น, นขณะในแต่ละวันแต่ละวันโอ้แล้วมันจะเป็นประโยชน์มหาศาล เวลาเรารู้ลมหายใจต่อเนื่องไปเรื่อยๆในที่สุดบอลลมหายใจมันอ่อนแผ่วสะบุบลงจิตรู้ลมหายใจเนี่ยไม่มีอะไรอื่นแล้วมันแค่ลมหายใจอย่างเดียวเคยสังเกตไหมพอเรารู้ลมหายใจไปปับ๊บเราไม่ได้รู้สึกว่าลมหายใจของเรายาวหรือสั้นแล้วแต่จิตไม่ไปไหนเลยมันอยู่แต่กับลมหายใจและจิตแว บ, บหนึ่งมันรู้ลมหายใจด้วยแล้วมันจะรู้รู้ร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยด้วย เอาใครเคยเป็นไหมเป็นบ่ถ้าไม่เป็น ล, ลองทําดูสิเผื่อมันเกิดแล้วจะได้รู้จิตรู้ลมหายใจสบายๆอย่างเงี้ยหายใจออกหายใจเข้ารู้แล้วรู้รู้กายทั้งกายที่นั่งด้วยลองทําดูลองทําดูดิห้สัมผัสกับความเป็นจริงทำเดี๋ยวนี้รู้ลมหายใจสบายสบาย จะรู้กายทั้งกายที่นั่งด้วยพอรู้กายทั้งกายแล้วกลับมารู้ลมหายใจสบายสบายแล้วกลับมารู้กายรู้ลมหายใจที่หายเข้าไหลออกสบายสบายจะรู้กายทั้งกายที่นั่งความแผ่วเบาของจิตณณขณะ น, นี้ถ้ารู้อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นปิติไม่มีอย่างอื่น เพราะว่ามีแต่วิตกกับวิจารเป็นหลักมันก็จะเหลืออะไรเหลือแต่ปิติจิตไม่ไปเสพที่อื่นเลยพออยู่กับลมหายใจเสร็จแล้วก็มารู้กายที่นั่งรู้กายเสร็จก็ไปรู้ลมหายใจไหลข้าวรู้ลมหายใจไหลออกแล้วก็รู้กายที่นั่งรู้กายที่นั่งอย่างเงี้ยรู้กายทั้งกาย รู้ด้วยจิตที่รู้เนี่ยจิตที่รู้ลมหายใจเนี่ยรู้กายทั้งกายที่นั่งรู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยๆสับบจิตก็จะเกิดเป็นปิติขึ้นมาก็รู้ปิติปิติมันก็ไม่ใช่อะไรที่สูงส่งนักหนามันก็แค่เวทนาตัวหนึ่งแล้วก็รู้ปิติรู้ปิติแล้วก็รู้ลมหายใจรู้ปิติแล้วก็รู้ลมหายใจรู้ปิติแล้วก็รู้ลมหายใจรู้ปิติแล้วก็รู้ลมหายใจรู้ปิติแล้วก็รู้ลมหายใจออกรู้ปิติแล้วก็รู้ลมหายใจเข้าแต่ปิติยังอยู่ก็รู้มันไปแค่นั้นนะแค่รู้เท่านั้นนะแค่รู้เท่านั้น่ะ พอปีติแก่ตัวเข้าไปก็เหมือเป็นความสุขขึ้นมาสุขที่เกิดในจิตจากการเจริญอาณาปานาสติเนี่ยมันเป็นความสุขที่เราไม่สามารถมาเปรียบเทียบกับความสุขอันใดไ ด, ได้เพราะมันเป็นสุขที่เกิดจากจิตสงบไม่ใช่สุขที่เกิดจากการปรุงแต่ง ถ้าเราร้อนร้อนอยู่แล้วเราได้ไปอาบน้าเย็นเย็นเรารู้สึกโอ้ยสบายสุดชื่นเป็นสุขเพราะอะไรเพราะมันปรุงแต่งใช่ไหมแต่สุขที่เป็นผลจากการที่จิตมันสะบบมันเพื่อให้ปรุงแต่งอะไรแต่มันก็ยังเป็นสภาวะอยู่ดีเพราะมันเกิดได้แล้วก็หายได้คนส่วนใหญ่ที่เป็นนักปฏิบัติ บางสายที่ไม่ได้เจริญปัญญาไม่ได้เห็นการเกิดการดับของสภาวะไม่ได้เห็นความเป็นจริงของจิตที่เป็นกลางมักจะหลงผิดเข้าใจว่าตัวเองบรรลุธรรมนะแล้วเวลาได้ความสุขชนิดนี้เพราะมันประจักษ์กับจิตมาก แต่ปัญญาที่เราฝึกการเห็นการเกิดและการดับของสภาวะไปด้วยเรื่อย ๆ, ๆเมื่อปิติเกิดมันก็เห็นปิติเกิดและก็ดับไดจากนั้นมีความสุขเกิดขึ้นสุขเกิดขึ้นจิตก็เห็นการเกิดการดับของสุขปิติกับสุขเนี่ยมันเกิดดับของมันอยู่แล้วเพราะจิตเกิดความสุขในสมาธิขึ้นมาเนี่ยมีความสุขเกิดขึ้นในขณะที่เราเราจะเริญสติแบบเดี๋ยวมันก็ดับตามเหตุตามปัจจัยของมันแต่ เราเนี่ยเกิดสุขสัญญาในในในสุขนั้นคือความคาดหมายเหนี่ยวรังจินตนาการว่ามันยังอยู่แล้วก็แช่อยู่กับอารมณ์นั้นและส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่าตัวเองบรรลุชั้นนั้นชั้นนี้ว่าไม่ใช่นะยังไม่บรรลุเลย น, นี้ถ้าเรานั่งเนี่ยเราสงบไอ้ตัวที่เราสงบเนี่ยก็คือวิสมถะไอ้ตัวที่รู้ปิดติรู้การสงบนี่คือวิปัสนาได้เลยครับรู้ดับรู้ดับรู้การเกิดและการดับรู้ตามความเป็นจริงถึงจะเป็นวิปัสนาเห็นดับนั่นนะวิปัสนา อ, อย่าไปพูดวิปัสนาอย่าไปพูดสมถะเดี๋ยวมันจะตีกันมั่วตัดออกไปถ้าเกิดความสงบแล้วมีสภาวะเกิดขึ้นเห็นปิติดับ เป็นปัญญารู้นะ่ะเป็นสติเห็นการดับเป็นปัญญาพ อ, อปัญญาตัวนี้ก็จะโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นต่อไปมีอะไรเกิดขึน้นมาก็เห็ น, น, นดับเห็นดับเห็นดับเห็นดับเห็ น, นดับเห็นดับเห็นดับแล้วเราจะรู้ของเราเองเราจะรู้ของเราเองตามกําลังปัญญาที่มันเป็นพวกที่รู้ส่วนมากไหนไม่มาพูดอ่ะไม่มาบอกผู้ที่รู้อ่ะ เพราะมันไม่มีประโยชน์ไม่รู้จะไปบอกใครทำไมใช่ไมก็ยังใช้ยังปกติได้ที่เราได้ยินครั้งแรกก็คือท่านัญญากูลทัญญะแต่ท่านัญญากุณัญญะท่านก็ไม่ได้ว่าเองพระพุทธเจ้ามาพูดให้ฟังเฉยๆเวลามันเห็นการดับไปเนี่ยโดยเฉพาะความเป็นตัวตนของขันธ์ทางหน้าอ่ะถอยไปนิดนึง ลมหายใจที่ไหลออกและไหลเข้าที่มันเบาและจิตอยู่กับลมหายใจที่ไหลออกและไหลเข้าอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยรู้ตัวนั้นอ่ะมันจะกระจายมันถึงทำให้รู้ในอิริยาบถที่นั่งด้วยถ้าเราเป็นในขณะที่ยืนมันก็รู้ในการยืนด้วยถ้าเราเป็นในขณะที่นอนเราก็จะรู้ในการนอนด้วยจิตรู้ลมหายใจไหลออกรู้ลมหายใจไหลเข้าแล้วมันจะรู้อิริยาบถที่นั่งนี้ด้วยมันจะกระจายเป็นรู้ที่กระจาย กระจายอย่างมีกำลังครอบคลุมไปในอิริยาบถ ท, ที่เป็นอันนี้เลยเรียกว่ากายยกตาสติของแท้มันไม่ไปไหนเลยมันก่ออยู่ที่ลมหายใจออกไร้ข้าวเสร็จแล้วมาที่กายกะจายอย่างเงี้ยแล้วก็หล่ให้รมายใจออกร้ข้าวกะจยอยู่ที่กายเงี้ยไม่ไปไหนเลยแล้วมันก็เกิดปิติขึ้นมาปิติที่เกิดไม่ใช่อะไรมันเป็นความผ่องใสของจิต ที่ไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของอาสวะขนาดนั้นกามาฉันเออยาบาทเออย์อำนาจของนิวรณ์ก็เข้ามาไม่ได้ปิติตัวนั้นเกิดขึ้นมาถ้าจิตที่ไม่ได้จเจริญปัญญาปิติเกิดขึ้นมามันก็ยึดแล้วสุกเกิดขึ้นมามันก็ยึดแล้วการปฏิบัติของเราก็สิ้นสุดลง เพราะฉะนั้นเราจะต้องเริ่มสะสมปัญญาตั้งแต่เนิ่นเนนตั้งแต่รู้ลมหายใจแรกแรกงั้นวันนี้จึงพูดถึงเรื่องของแรงใจพูดถึงเรื่องผู้ชายถือหม้อ ด, ดินเต็มด้วยน้ามันพูดถึงเรื่องลิงอยู่ในกระท่อมห้าประตูเพื่อให้เราถือเป็นหลักในการที่จะนำไปใช้เพื่อจะเจริญปัญญาและปัญญาที่จะเกิด ไม่ใช่ปัญญาที่จะไปสมมุติอะไรเป็นปัญญาที่จะต้องเป็นจริงปัญญาที่เป็นจริงคือปัญญาที่ถึงแก่นของความจริงของสภาวะทั้งหมดแก่นของความจริงของสภาวะทั้งหมดมันเหมือนกันถ้ายังต้องเป็นชื่อนั่นยังต้องเป็นร่างอย่างนี้ยังต้องเป็นรูปอย่างโน้นยังต้องเป็นสีอย่างนี้นั่นคือสมมติ ยังไม่ใช่ความจริงถ้าสมมตินี่เถียงกันตายเลยแต่แต่เพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยเหมือนกันหมดทุกๆสภาวะเหมือนกันหมดคือคืออะไรเกิดดับเกิดดับหมายความว่าไงมันมันไม่เที่ยงใช่ไหมมันเสื่อมสิ้นพิบัติแปรปลวนแล้วก็ไม่มีตัวตนที่แท้จริงครับว่าไม่มีตัวตนที่แท้จริงไม่มีอัตตาหมายความว่าไม่อยู่ในอํานาจ ในบังคับปัญชาผู้ใดไม่สามารถที่จะให้เป็นไปตามความหวังของผู้ใดอย่างแท้จริงได้เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ชื่อว่าเราก็สมมตุติที่ชื่อว่าของเราก็สมมติเพราะสุดท้ายมันไม่ได้เป็นเราอย่างแท้จริงสุดท้ายมันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเข้าใจไหม ทุกๆสภาวะเป็นแบบนี้เมื่อมันเป็นแบบนี้นั่นแหละเรียกว่าเห็นความจริงของที่สุดที่เสมอกันของสิ่งทั้งบ่วงตัวนี้จึงจะเป็นปัญญาและการเห็นอย่างนี้ด้วยจิตที่เป็นสติปัะฐานคือเป็นจิตที่มีสติรู้อยู่ในกายยัคตสติรู้อยู่ที่กายนี้เท่านั้น แต่ว่านั่งเบอร์มองโน่นมองนี่หรืออ่านหนังสือหรืออะไรต่างๆแล้วก็ไปคิดได้ความเข้าใจเหมือนกันหมดแต่ไม่ใช่ไม่ใช่มันมีกำลังไม่พอมันไม่ใช่สติปัฏฐานมันจำเป็นที่จะต้องเป็นสติปัฏฐานจํจำเป็นที่จะต้องเป็นสติปัฏฐาน จำเป็นที่จะต้องเป็นจะงอยปากของไก่และเล็บของไก่ที่แข็งแรงนะดังนั้นอันจะงอยไก่กับเล็บไก่ที่แข็งแรงนั้นมันจะต้องพัฒนามาตามลำดับจากการที่แม่ไก่ฟักตัวอย่างถูกต้องต่อเนื่องจนเกิดความอบอุ่นขึ้นมาข้างใน ทำให้ยางข้างในเปลือกไก่นั้นแห้งเปลือกไข่บางในขณะเดียวกันลูกไก่ก็โตขึ้นทำให้จะงอยไก่และจะงอยปากของไก่และเล็บไก่นั้นแข็งแรงเฉาะเปลือกไข่ออกมาอย่างง่ายๆมันจะเติบโตมาเป็นลำดับเพราะฉะนั้นเราจะต้องอย่างอื่นไม่รู้แ่ะแต่ฝึกจิตให้รู้ลมหายใจไว้เป็นหลักในชีวิตประจาวันให้มีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ไว เดี๋ยวออกจากนี่ออกไปเรียกรถขึ้นแท็กซี่พอกระกนั่งแท็กซี่เสร็จทำไงฮะดูนูนดูนี่ก็มาหยุดอยู่ที่ลมหายใจคุยกับแท็กซี่ก็คุยไปเสร็จคุยเสร็จไปไห น, นก็ลมหายใจก็ได้เวลาจอดอ่าถ้ า, ถาจิตที่รู้ลมหายใจได้แข็งแรงแล้วมันรู้ลมหายใจได้ในขณะที่ ต้อสังเกตอย่างนี้เวลาเราขับรถอะในขณะที่เราขับอยู่ในเดนของเราใช่ไใจเราไปไหนปล่อยที่อยู่ปล่อยเยอะแยะมากมายแต่เราไม่ไปที่อื่นเหล่านั้นเรามาเกาะ อ, อยู่ที่ลมหายใจเรามาเกาะ อ, อยู่ที่ลมหายใจเถียงว่ะละ่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เมื่อมันมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ถ้ามันไม่มีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ในขณะที่ขับรถ มันก็ไปวัดโน้นมั่งไปหลวงพอ่อนี่มั่งถึงเวลาไอ้นี่วิ่งตัดหน้าเบรคแล้วมันก็ไปน้นมั่งไปดีมั่งก็ขับไปเรื่อยแต่เมื่อมีลมหายใจไปเครื่องอยู่มันก็เกาะหลักอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็ทำงานไปประมาณไปขับรถไปมีสติมากเลยนะดีมากเลยนะแต่อย่าเป็นแบบโง่โ ง, งขับรถอยู่เฮ้ยวุ่นวาแเหลือเกิน มีสติไอ้ <c oughs> อย่างนี้เรียกว่าไม่ใช่สติปัฏฐานนะฝึกอย่างนี้ไปต่อเนื่องไปเรื่อยเราจะรู้ของเราเองว่าจิตที่มีลมหายใจเครื่องอยู่เป็นอย่างไรแล้วเราจะเห็นอำนาจของจิตของเราที่เราให้จิตของเราอยู่ในอำนาจเหมือนจับเจ้าลิงไปเก็บไว้ในกระท่อมเห็นไที่ท่านวนริยะวริยะท่านอุทานคำนี้ออกมาเนี่ย เพราะทจับอยู่แล้วด้วยลมหายใจเนี่ยใช้ลมหายใจทําไปทําไปทําไปทําไปจนจับจิตของตัวเองอยู่แล้วท่านจึงบอกเป็นภาษาบาลีอุทานมาว่ามัตตโกปัญจทวารยังกุติกายยังปัสสกิยะตวเรณานุปปิเยเสติคัตยันโตมุหุงมุหงงพอพูดไปแล้วมันนึกได้นี่ ติดทะม ก, กตะมาทาวิอไอเจ้าลิงเจ้าอยาวิ่งเล่นไปข้างไหนอีกเลยนิฆะนิขะิขะตโตสิปัญญะเราจับเจ้าไว้ได้แล้วด้วยปัญญาเนวะดูเรคามิสสิเจ้าอยากกระโดดไปไหนไกลอีกเลย คือท่านท่านประสบผลจากการปฏิบัติที่ท่านรู้อย่างนี้ท่านลำพึงออกมาท่านเปรียบเหมือนลิงอะลิงที่มันกระโดดโลดเล่นอยู่วิ่งข้าววิ่งออกทางประตูทั้งนี้จับใส่เข้าไปในกระท่อมปิดประตูมันออกไปไหนไม่ได้แล้วมันมีที่อยู่แล้วเหมือนกันเราจะจับจิตของเราอยู่เมื่อเราจับจิตของเราอยู่แล้วเนี่ยทุกอย่างมันมันสบายความคิดจะเป็นอะไรความคิดจะเป็นโมเดลของสติ เข้าใจไหมความคิดจะเป็นโมเดลของสติปกติความคิดเป็นโมเดลของอะไรของอารมณ์มความคิดนี่เป็นโมเดลของอารมณ์ของตัณหาทีออ่น้าอยากจะได้สักหกสิบล้านแล้วก็เข้ามาเปรียมการสร้างโมเดล <c oughs> ความคิดความคิดโดยอำนาจบางนี่แต่เมื่อมีสติ ที่แข็งแรงที่เป็นสติปัญญานแล้วเนี่ยความคิดที่เกิดเนี่ยมันจะเป็นผลิตผลของสติปัญญามันเป็นตัวที่จะทําให้การขับเคลื่อนอย่างเป็นสติไร้ความประมาทโดยสิ้นเชิงไม่ใช่ว่าสติปัญญานนี้เมื่อโตแข็งแรงขึ้นแล้วไม่ต้องทําอะไรไม่ใช่พระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วทํางาน วันหนึ่งอเท่าที่มีในหลักฐานนอนไม่เกินสี่ชั่วโมงงานนอกนั้นทำงานตลอดเวลาออทำงานตลอดเวลาแล้วบุคคลผู้ซึ่งที่เราควรดูเป็นตัวอย่างในปัจจุบันคือใครฮะเออรัชการที่เก้าศึกษาที่ที่เรา ต้องยกท่านมาพูดได้เพราะว่าท่านสวรรคตไปแล้วไงศึกษาได้เลยจากเจสิปีที่ทรงครองราชสมบัติทรงงานขนาดนั้นน่ะดูข้อบกพร่องที่ปรากฏเป็นรูปธปรรมให้พวกเราได้เห็นสักหน่อยสิไม่ว่าจะเป็นเรื่องศีลไม่ว่าจะเป็นเรื่องเบตตา ว่าผู้นามันต้องมีเมตตาว่าความเสียสละความที่ทรงทรงคิดแต่ละเรื่องไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของพระองค์เลยมีแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมคาว่าส่วนรวมหมายความว่ามันไม่ได้แยกว่าคนดีคนไม่ดีคนรวยหรือคนจนประโยชน์นี่ท่วนหน้าไอความคิดแบบเนี้ย เป็นโมเดลของสติดูที่เจ็ดสิบปีครองราชยุธเจ็ดสิปีไม่เคยเนี่ยบุคคลที่เป็นต้นแบบในยุคปัจจุบันที่เรานอกจากพระพุทธเจ้าแล้วนะแล้วก็ไม่รู้ว่าว่ารู้ว่าเขาจะเอาโครงการในพระราชดําริเนี่ยคือเราจะพูดกันในแง่ไหนอ่ะพระอริยภาพในแง่ไหนในแง่ที่ว่า ทรงเป็นต้นแบบของการใช้ปัญญาต้นแบบของอะไรต่างๆที่จะเป็นบุคคลต้นแบบทรงเป็นได้หมดมสัจจะถ้าผ่านไปจากนี้อีกสักห้าสิบปีร้อยปีเกิดเราเกิดในยุคหน้าแล้วอยู่ มีคนมาเล่าถึงราชการที่9ให้เราควาังว่าบุคคลคนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่งราชทํา่นั่นั้นนั่นั่่ง70ปีมีโครงการในพระราชาดําริทําโครงการเพื่อประโยชน์ของประชาชนในประสยามประเทศเนี่ย 4,000 กว่าโครงการเฉลี่ยแล้วอาทิตย์ละอย่างน้อยที่สุดหนึ่งโครงการแต่ละโครงการนี่มีผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับดีเยอะแยะมา ก, ม า, ก ม, ามายมหาศาล ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลทำวิจัยจนกว่าจะให้ดำเนินการได้แต่ละโครงการนี่มากทุ่มเทมากต้องใช้เวลาทั้งหมดที่มีอยู่มันไม่มีเวลาไหนที่จะเขียนไปอีกร้อยปีเกิดคนมาพูดถึงพระเจ้าอยู่หัวแบบนี้ไอ้คนยุคนั้นมันอาจจะหนี่มีด้วยเหรอคนแบบนี้ <c oughs> <c oughs> เออ ถ้าอีกร้อยปีคณะจะมีคนกล่าวถึงราชการที่เก้าแบบเนี้ยร้อยคนมีได้เหรอถ้าผ่านไปอีกส0 0รอยปี400ร้อยปีห0 0ร้อยปีห0ร้อยปีเขาบอกโหยเียมันเป็นบุคคลในตำนานเรื่องเล่า <c oughs> มันเป็นเรื่องเล่าเพราะเพราะนับวันเนี้ยคนที่จะฝึกให้จิตของตนเองอ ม, มีความสุขกับการเสียสละ มีความอดทนที่เป็นสุขเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นโเโมหมันยากมากนะมันยากมากมันยากมากอะไรที่คนอื่นทำไม่ได้ทรงทำได้นะที่เปความดีที่เป็นเพื่อประโยชน์และอยู่ในฐานะอันสูงสง่งพร้อมทุกอย่างไม่ปล่อยให้ใจและไม่ปล่อยให้พระทัยไหลไปกับนิวร ถ้านิวร์เข้าไปแต่งจิตก่อให้เกิดเป็นอกุศลนะครับแล้วกาจัดด้วยศีลสมาธิปัญญาหายากมากไม่ปล่อยไม่ปล่อยให้ใจไหลไปกับอารมณ์แต่ปล่อยให้ความคิดอยู่ภายใต้สติ ที่ฝึกฝนมาอย่างดีหายยากมากนะจะบอกให้อีกพันปีข้างหน้าเนี่ยจะกระทรงเป็นบุคคลในตำนานไม่รู้ว่าเป็นเรื่องเล่าเรื่องจริงหรืออะไรนี่เรานี่อยู่ช่วงนี้โอ้โช่วงดีมากวันนี้เราก็จะสวดมนยกบุญทั้งหมดที่ทํากันตั้งแต่เชา้าไม่ว่าบุญที่เกิดจากศีลไม่ว่าบุญที่เกิดจากสมาธิไม่ว่าบุญที่เกิดจาก เ, เดินจงกรมนะบุญทั้งหมดเนี่ย รวมเพื่อที่อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลให้กับปรองเดี๋ยวเราจะทำกันตอนจบก่อนที่จะกรวดน้ำวันนี้เรามีเจ้าภาพ ก, กี่กี่เจ้าภาพนะ พวกเราพวกนักปฏิบัติทั้งหลายให้อนุมโมท ก, กับเจ้าภาพทั้งหมดนี้ด้วยอนุมโมทนาบุญที่เกิดจากการอนุมโมทนาเนี่ยสาธุหนึ่งครั้งเขาได้บุญหนึ่งครั้งเด้ <laughs> บุญที่เกิดจากการอนุมโมทนาเนี่ยมันก็คือการเปิดให้ใจของเรายินดีกับความดีของผู้อื่น มีวัดแห่งหนึ่งในอนดีตนะแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวงอมแงมยากจนหญิงเข็นใจเช้าขึ้นมาเธอก็ข้าไปในวัดเนี้ยมันนั่งถอนหญ้าถอนหญ้าถอนหญ้าตามลานตามลานเจดีพอไปถึงเห็นเจดีเจดีเก่าๆก็ก็ดำๆก็ขัดเช็ดปัดถู แล้วก็หญ้าที่ขึ้นมาข้างๆก็ไปถอนตอนถอนถ น, นทุกวันเช้าไปแล้วแล้วใครมาทําสกปรกเลอะเทอะไอคนที่ชอบบุญบานศารกล่าวไม่ได้มีเฉพาะสมัยนี้เดยสมัยโน้นก็เหมือนกัน <c oughs> พวงมาเลยมั่งดอกไม้ในป่ามั่งถือเข้าไปถึงนั่งไหวเจดีแล้วก็ตั้งไว้ไม่เป็นที่เป็นทางหรอกถือว่าตัวเองทําเสร็จแล้วจบทิ้งไปคนนี้ก็มาแบบยิ้มแบบมีความสุขกับการที่จะได้เก็บได้ปัดได้กวาดได้ความทําสะอาด ที่นี้มีนักบวชท่านหนึ่งท่านได้ฌานสมาบัติเอออันนี้ก็ต้องพูดกันนิดหนึ่งคว่าฌานสมาบัตินี่นะท่านสามารถใช้สมาธิจิตของท่านเนี่ยไปในภพภูมิอื่นได้ก็เป็นปกติทุกวันนะักบวชตา น, นี้ก็จะขึ้นไปแล้ว นักบวชตอนนี้ก็จะขึ้นไปเรื่อยๆวันนั้นไอ้ทางที่ตัวเองเคยไปประจำประจำอยู่ๆมีวิมานอันหนึ่งเว้ยนี่เล่าให้ควังสักว่าควังไว้ก่อนนะอย่าไปหลงนะมีวิมานนันหนึ่งเกิดขึ้นในวิมานนี้หญ้าที่ขึ้นทางข้าวเดินประดับสวยงามมากเลย ต้นหญ้าบางใบเนี่ยมันเป็นทองคําบางใบมันก็เป็นรัตนะเจ็ดบางใบบรรแก้วมณีบางใบโอ้ต้องไว้ดสวยและเส้นทางพื้นเดินนั้นน่ะเป็นแก้วประพานที่สวยงามมากส่องแสงสว่างโอ้ยลากสีเลยแต่ไม่มีคนอยู่ไอ้นักบวชตอนนี้ก็เข้าไปท่องท่อท่องอนีอ่มันเป็นของใครวะสงสัยว่าเป็นวิมานของใครก็ไปถาม <c oughs> เดินผ่านไปไ ป, ไปก็ผ่านไปถึงไปเจออีวิมานหนึ่งมีเจ้าของแล้วไปถามว่าเอ๊ะวัดก่อนไม่มีนี่วิมานนี่วันนี้มันมาปูุกขึ้นมานี่ของไข่อ๋อยังไม่มาคือยังไม่ตายของไครรู้ปะ่ะขอให้คนเข็นใจ <laughs> ขอให้คนเข็นใจที่มันกําลังนั่งถอนหญ้าอยู่โน่นน่ะยังไม่ตายอืม แล้วก็ข้างๆ ข, ของวิมานหลังเนี้ยเออข้างๆ ข, ของวิมานหลังเนี้ยมันไปขอบเขตรั้วที่สวยงามมากเลยแล้วมีเสียงเสียงกลางวานคล้ายๆกับเสียงดนตรีที่มันยิ่งกว่าสเตอรีโออะฟังแล้วนุ่มหูไพเระจับจิตมากเลยถ้าไม่รู้ก็เข้าไปดูไม่มีคนอยู่เหมือนกัน สงสัยเอ้บนเสียงอ๋อไอคนเก็บของป่าทุกวันไอคนเก็บของป่าไอไปถามเขาอีกนะเาก็บอกว่ า, ข, าของอคนเก็บของป่าเขายังไม่อยู่มึงเกิดมาเฉยๆไอคนเก็บของป่ า, า, น า, า, ค, นปาคนเนี้ยไปเดินผ่านข้างวัดใช่ไหมพอข้างเจดีพอเห็นยายคนนี้นั่งโถนเนี่ยสาธุแล้วก็เดินไปเก็บของป่ากลับมาเห็นไอผู้หญิงคนนี้ตากรรมเก็บกวาดเจดีสาธุ เช้าขึ้นมาเจอผู้หญิงคนนี้ทําความสง่าเจสาธุเย็นก็สาธุสาธุจนวิมานเกิดอยู่รออยู่โน่นอะเพราะฉะนั้นเราเห็นความดีของใครที่เขาทําสาธุไปบ่อยๆสาธุไว้เรื่อยๆให้ได้เห็นความดีนั่นก็สาธุไปเหอะ ได้สาธุในวิถชิตหมายความว่าไงพิมพ์ภาษาทุ่เหรอะวลาเขาใหมันถึงใจนะต่างิีหลักขังภาาเหมือนกันาฮ่าฮ่มันต้องให้ถึงใจถ้าไม่ถึงใจมันก็ไม่ได้เลย เรียกว่าแรงใจต้องพ อ, อแรงใจต้องพอแรงใจต้องพอแรงใจกับศรัทธานี่ก่อนในแรงใจมันรวมกันไปนั่นหมดนะศรัทธาเป็นที่มาของแรงใจก็ได้แรงก็คือกำลังใช่ไหมแรงใจก็คือกำลังของใจตัวย่อยๆของแรงใจก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญา <c oughs> ไอ้นั่นก็เรียกว่าเทพธิดาญาทองไม่เคยเจอเหรอกรับรอกได้ไอ้พวกนักการ่ะไอ้นอนเรียกว่าเทพธิดากําแพงแก้วจ้องอย่างนั้นนะนั้นเราไปเห็นเขาแล้วสาธุไว้บางคนทํายังไม่ได้บุญเท่ากับคนสาธุนะ คนทำบางทียังไม่ได้กับเท่ากับคนสาธุนะคนสาธุได้เยอะกว่านะไอ้บุญเนี่ยเออทำให้มันถึงจิตนะบางคนให้ทานอย่างเงี้ยฮะให้ทานแล้วให้ไม่ถึงใจไงใจมันไม่ได้ให้จริงให้ไปห้าสิบแต่ใจที่ให้อ่ะไม่มี เวลาเราทำบุญเราอธิษฐานว่าไงงนตอบให้ตอบคนนี้คนนี้ตเคยเคยอธิษฐานไหมภาาบันภาาอธิษฐานว่าว่าเฮ้ยภาาีไม่เทีไม่ใช่สมัยก่อนสมัยสาวสาวอะเธเชื่อานว่าไงก็ีกให้ให้อธิษฐานนะให้ตัวเองอธิษฐานว่าไงบ้าง ให้ได้เอาไหนใครที่พูดตรงๆหน่อยที่ว่าสมัยสาวๆอธิบายว่าไงทิกอย่างเลยครที่ผมทมท่กวันนี้นะครับผมจะได้ถามว่าขอทางนี้จงหรือปัจจัยส่งเสริมเออให้ข้าพเจ้าได้บรรลุบรรคผลในภายในนะครัพอพอนี่ไม่ได้ตรงกับคําถามเรามีใครมีใครขอตอบบาเออตอบบ้างลูกเออเออเออเ อ, เ อ, เอนั่นแหะอืมก็จะประมาณว่าให้ ประสแบแต่ฟวาโซคดีจะสิ่งดีๆ <c oughs> มีความร่ำเรียเป็นสุขครัวร่ำเรีย น, น <c oughs> มีครอบครัวแข็งแรงมีลูกน่ารักร่ารวยเงินทอง <c oughs> ใครที่คล้ายๆอย่างนี้มั่งยกมือไม่ถามอรายตัวแล้วใครคล้ายๆอย่างงี้มั่งยกมือยกมือยกมื อ, ม อ, ม อ, มอนะ <c oughs> คล้ายๆอย่างงี้มั่งอ่ะคล้ายๆอย่างเงี้ยรู้เป่าเสียของ รู้ไหมอะการอธิษฐานอย่างนี้เสียของเพราะยิ่งอธิษฐานแบบนี้มากกำลังของบุญของเราก็หายเพราะเราเป็นแบบนี้บางที่เขาเลยต้องมีเขียนเป็นโปดตการ์ด แอบหลอกเราไว้ทำตุงนี้ได้อย่างนั้นทำตรงนั้นได้อย่างงี้ไอคนที่เขาได้จริงๆผมไม่ได้หวังอย่างนี้เลยเคยได้ยินครับว่ายิ่งหวังยิ่งไม่ได้ฮันเอาไมนะเอาไม่เสีเพราะฉยนั้นต่อไปเวลาทำบุญหือ อาตั้งใจฟังนะทาบุญส่วนที่เป็นทานพระเจ้าว่ปะะาปยตะปานีมุตตจาโคปะยะตะปานีคือว่าให้ไม่ให้เหลือเยื่อใหญ่เน้นถึงประโยชน์ที่ผู้อื่นได้รับเป็นหลักไม่หวังให้กลับมาสู่ตนเองแม้แต่นิดเดียวให้ให้หมดเปลือกให้อย่างนี้ถ้าใจจะยิ้มจะมีความสุขในขณะที่ให้ก็ มุ่งเห็นประโยชน์ที่ผู้อื่นได้รับเท่านั้นนี่เรียกว่าปะยะตะปาณีมุตตะชาโคให้แล้วปล่อยให้แล้วปล่อยเลยและวัตถุที่ง่ายวัตถุที่ง่ายต้องเป็นของเราที่ได้มาอย่างบริสุทธิ์ เวลาเราสเสวยงารับอะเราทุ่มเทแรงกายแรงใจสิ้นเหงือ่อสิ้นใครเหนื่อยเหลือเลยพลอยร้อยโยกลาลย้อยได้รับมาเป็นกอบเป็นกำได้ชื่อว่าเป็นของเราโอ้ยมีความสุขมากเลยเราเป็นคนมีทรัพย์แล้วแล้วเอาทรัพย์ที่ได้ชื่อว่าของเราเนี่ยส่วนหนึ่งทําตรงนี้ให้มันหมดเปลือกให้แบบไม่เหลือเยื่อใยเลยให้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่เขารับให้เพื่อปล่อยออกไปเลยมันจะถึงใจเราการให้ที่ถึงใจอ ย, อย่างนี้แหละ พระพุทธเจ้าเรียกว่าฉันทะตัวนี้เป็นตัวที่สะสมบุญแล้ววิมานมันก็จะเกิดอยู่นั่นโดยที่เราไม่ต้องหวังให้แล้วหวังอ่ะผิดหวังหมดอเนื่องจากอาคารธรรมเราเนี่ยเมื่อสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าที่กล่าวกันไว้เนี่ยทรงประชวร แม้แต่วันนั้นวันนั้นตรงกับวันที่วันอาทิตย์ก่อนที่จะถึงวันที่ทิบสามอ่ะเราก็สวดกันที่นี่ใช่ไหมเราสวดโพูดจงถวายพระองค์ที่นี่เออ วันนั้นนะวันอาทิตย์ก่อนที่จะถึงวันที่สิบสามเราสวดพ่อจงถวายพระองค์กันที่นี่วันนั้นเราสวดกันกี่จบเก้าเก้าจบอัตมาสวดที่นี่เสร็จแล้ววันที่สิบสามอัตมาก็ไปนำคณะแพทย์และพยาบาลสวดที่โรงพยาบาลรามาที่ห้องประชุมอารี สวดวันที่1 3บนั้นและหลังจากนั้นพระองค์สวรรคตหลังจากพระองค์สวรรคตที่นี่เราก็มาสวดบทนี้กันไปแล้วหนึ่งครั้งผู้ทิทวายเป็นพระราชกุศลและวันนี้เราก็จะสวดสวดจบเดียวสวดทำนองคล้ายๆกับสวดพาหุงอย่างนั้นะ สดควิโโดยเราจะสวดบทนะโโบพุทธังแล้วก็บทนี้จบแล้วก็ภาวะตุสัตว์ใครที่สวดเก่งๆก็เสียงดังๆนะช่วยๆกันให้ตั้งใจสวด อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระองค์นะพอสวดเสร็จแล้วเราก็ประดมมืออุทิศแผ่บุญทั้งหมดที่เรามีทำกันวันนี้ยกอุทิศถวายให้กับพระองค์ตามใจของทุกๆ ท, ท่านเลยณตอนนั้น <c oughs> เริ่มเลยัง นักบูตัดสักว่าตอวอราห์ตัสมมาสมบุทธรรสนาบูตัดสับกว่าต We. จากกันดอาิราชามหาราลวงกับปางเกอมาหิตตาเลไทยยนันเทวพู้คัวกคธรรมน์โนปาสังสิโตสักกตยานตาเย สัมมานิโตภิปุยชิตตุทายาวัสสินนามาทยหิตายาจสุกายจัสสัตติวัสสกาเลวราชังธรมเนการยเอ โจ้าจางอดวันตันติปุกปัติงคาติเยพรมาเดเวเสสดเทยันทาปุกโกเสนาเกินเิปริวัจเจริศ พระเมววิมารดัติตาสมาหิปันติตปองสัมปัังอารมตันตสัมปเเยวเปโยสอปมนเดนจิวิตอปมโป เทติกันหาติเจตโสติเตตัมเบจโยงอัตโยยจตุสัมปะรายิกยสวัสดัสัสสะตัสสังอัตังอัญญะยะสัทุกาง ปติปัจเจตาเบตาวิอมบคังจีวิตังอย่ายานธานิเบกตังปุ่นยังเตนานเดนติเต นาจัยยาคเจกอตลามังอาสะสุเกนาสิจิตังตตาปะระมินทามังนาราจาภะกิโฆตวะปติยาเกมะปะตันจปา ปตตัสสัสสิตชาตังสุปฏิภาวตุสัพมังรัตคันตุสัพเทวตัสัพปุทอานุภาเวนัสธาสุติปวัน ภาวะโสัพปะมังลังราคันตสัพเทวสพตมานุเวนะสัตตาสติปะวันภาวตสัพปมังลังราคันตสัพเทว ซาปะสังขันุภพระเวนัสัทาสสติพระวันทุติตั้งใจน้อมจิตระลึกบุญกุศลของตนของต น, งตนที่ได้ตั้งใจปฏิบัติในวันนี้ตั้งแต่เริ่มสมาทานศีลควางธรรม นั่งสมาธิเดินจงกรมและการปฏิบัติต่างๆอันเป็นบุญเป็นกุศลระลึกถึงแล้วน้อมบุญทั้งหมดเห่านั้นอุทิศถวายแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เก้าของเราตามใจของแต่ละท่าน จากนั้นว่าตามปรมินทรมหาราชาพ า, า, า, าคีโหตุวัปัติย า, ยาขอพระบาทสมเด็จพระประมินทระ <c oughs> มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาฏบพิษเป็นผู้มีส่ว น, น, วนแห่งบุ ญ, บญที่ข้าพระเจ้าทั้งหลา ย, าาลายตั้งใจอุทิศถวายดีแล้วนี้นเขมับ ป, ปัทันจัปปโปตุปปปปปขอพระองค์งคส่งถึง ซึ่งบทอันกเนกษมเกาวคือพระนิานาพา น, านตัดสาดส า, ส, าสิทชะตังสุภาขอความขอพระราชประสงค์ที่ทรงมีพระปณิธานสมพระราชประสงค์ทุกประการเทิน โปรน้มรับพรตั้งใจนะยะทาวาริวาาปูราปริปุเรนติสาขรังเอวะเบวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเบวะสมิจัตุ สัพเพปูเรนตุสังกัปปะจันโทปนรโสยธามนิโชติระโสยธาสพีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตราโยสุขีธีกายุโกภวะอภิวาฒนาศีลิตสะนิจจังวุทธาปจายิโด จตารุธรมาวัตตันติอายุวันโดสุขังพะลังอายันจกโคดักขินังตินนาสังค์คำหิสุปติทิตาดีคาัตังหิตายาสสะทานะโสอุปกะปติโสยาติธัมโบจะอยังนิดัสิโตเปตานปูชาจักตาอุลารา บาลันจะพิกโขนำมนุปปินนังตุมเฮหิปุญยังปัสตังอนับปากันติสิทธะมัตุสิทธมัตุสิทธมัตุอีดังบาลังเอตัสัมิงรัตนตยัตสมิงสัมปัสสาดานเจตโสรัตนตยานุนภาเวนะรัตนตยเตชะสาดุขะโรคะพยาเวราโซกาสัตตุจุปตะวา อเดกาอันตรายาปิวินัสสันตตอาเซสโตชยาสิทธิทนังลาพังโสทีพระขยังสุขังบลังสิริอายุจะวันโดจะโพคังวุธีจะยัสวาสตวัตชาจะอายุจะชีวสิทธีพวันตุเตพวตุสัพบมังขลังรักขันตุสัพบเดวตา สัพพะบุถานุภาเวนะสัพพธรมมานุภาเวนะสัพพะสังขานุภาเวนะส ด, ดาโสตถีพระวันตุเตยขอนมบูตนากั บ, บ ท, าาทุกๆ ท, ท่านนะอ้าวกราบพระ